เป็นมนุษย์สัแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิหองมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสะทดอยู่ภายในจิตใจเลยนี่เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติให้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลืประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่า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 เพื่อปฏิบัติตามเส็นพิธทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงรู้แจง้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในปิดใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในขัง้งพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ส้าหักผู้จะเป็นสาวกอรหันละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนตาจะปัญจกคำอาถรรพเช่จนจะว่าเอหิปิกูประสัมพทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทําเรากล่าดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินนั่นแลเป็นการให้โอวาตผู้ที่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 ที่สืบเนื่องมาจากการเรีรษาจากพระพุธทธเจ้ากลารเป็นปฏิเวทไปโดยลำหนักลำหนับอย่างนี้หลังขัางพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกรถึกนี่ก็มี คือนักเทศแต่ธรรมกัตถ์ของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกัตถ์ทั่วๆไปพระธรรมกัตถ์กก็เช่นอย่างพระพระปุญญมณฑมนตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัตถ์เอกส่นมากท่านยกเอาสัญเลกาาถาเป็นเครื่องสแสดงสัญเลกาคาถาคือ กล่าวถึงลงคมคำขัดเกลาที่เละทั้งนั้นนับแต่อภิชิตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยงมุทิยาทัศนะนี่ทันมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอคะในทางธรรมกะถะเรีกยกว่าเป็นธรรมกถึกเเอกพระคุณมันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริง ไม่สอนแบบรูปๆคำๆตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจ ย, ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นเต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิคุณพระปณมันตณีบุตรนั้นท่านเป็นพระราหาันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจสันเหลกขธรรม ทั้งสิบประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านจงหลับความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมะถึกที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นความถูกต้องในงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะถึกที่มีปิเลตมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทางบูตการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเช่นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจานวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือนเรียกว่าริยัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตาหนิด้วยทรงเห็นลุคเนสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นนี่ท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ในมากมายกายกองเป็นพระคุสูตแต่ไม่ใช่พระคุสูตดังพระ อ, อ น, นุ์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 ถ้าโปรธิลาชจมีความสฉลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย่ำแล้วย่ำเล่าอยู่นั้นแหละโพรธิรัชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าปพูดยังไงว่าหัวล้นเปล่าก็ว่าไปเลยอือย่างท่านอาจารย์มั่นทันเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าอืกินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโปรธิรัชอันเดียวเท่นั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกพียงเรื่องของพระ บระโพธิัมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วดเต็มอย่างเต็มใจฟังเห็นเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิสัตว์กับมีโพธิรัตว์เข้ามาโพธิสัเธอจงไปอะไรกับโพธิรัตว์โพธิสัแล้วบาลานเปล่าบาลานเปล่าเลื่อนเปล่ า, ลาแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ะเลื่อนเปล่ากิเลสมากพอกูนึ่งโดยลําดับอะไรท่าน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 ซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้ว mm ตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณีน้อยเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความสโศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปธิราชโปธิราชโปรธิราชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรงชมเชย แสดงว่าเรานี้ไม่เป nee ็นประโยชน์อะไรจากการนึกษาเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงต้องทรงทรงเชยในแง่ในแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอกล้าพอไปสู่สำนักธรรมหาเทระตังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระหันท่านฉลาดแลงคมอย่างลึก พราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็นหาอุบายทำตนพูดต่างๆนานานะเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ว่ท่านก็นเป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระนาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนั่นแต่หลังนั้นตั้ง่านท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปหมดจนกระทั่งถึงสามเรองคงสุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน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 ท่านก็มอบกายถวายตัวต่วเอเนนนั่นทันทีแล้วเนนนั้นก็สอนอย่างนี้เราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระนี่หาอุบาสศรวีต่างๆเช่นใ ห, ให้พระมหาเถระแปลนั่นมาให้เหมืหอนึงแปลนี้มาให้มั่งและให้ครองกี่วรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเถระคองท้าไปถ้าจะเปรียบ พีวันจริงกินก็ให้ขึ้นมาเสียเอะละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบเนี่ยความจริงเป็นการทดลองทางนั้นธรรมาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกะถึกเอกนั่นแหะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่าม อ, อบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดมืางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ําหนามนั่นโรคๆน่ะก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงหนามจริงๆท่านก็ให้ถอยม า, อาแล้วไม่เอามันลำบากอะน้าเกาะผ้าบางไรหาบายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชาัดว่าพ ร, พระองค์นี้ไม่มีที่ติมานะเป็นผู้วุงหน้าต่อจะรทำจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้ น, นสอนบุลาท่านจะสอนนันก็หาอุบายสอน ม, มีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ด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 เป็นข้อเปรียบเทียบในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกมีท่านแยกงนะท่านอุปมาอุปไมค์เข้ามามันมีทวานหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวานทั้งหนะ้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ดีอะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลย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 พระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนและ ก, ก่อนที่จะประธานโอวาทก็ถามเปียงไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็ียงไงบ้างนันหังดีเนนก็ ก, กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกประยาทุกอย่า ง, างเป็นที่น่าสงสารมากะไม่มีทิฏฐิมรณะอะไดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่พึ่งแสดงเึิ่งความผงใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชยเตปุริที่นีปัญญาที่เปียบเหมือนแผ่นดินพยายามทำปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนามัม่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนนิปัจฉนาในขณะนั้น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 เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิณิปิญญาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประธานอว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรที่เรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแต่คืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมันอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยกา ร, รมบัมัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปริกูนโสโคกเหมือนกับป่าชาพิดิดเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจหันถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองให้จังทุกขงังตาเป็นป่าชาพิดิดบ้างเลยนัะ่ะพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนันจงพิจารณาสิงอันนี้ให้เห็นตามความปิ่งของมันพูดแล้วใ น, นหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้นเข้ามาก็คือสกุลากาย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 ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหาแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ากับใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช่สียงนี้ด้วยความลุ่งหลงตัวเองนังถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานต่างตินักตรัสท่านสอนเราเราว่าเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคําว่าเรากับคําว่าของเราเหมือนกับเรามีอำนาจวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครอ ง, องนี้ความกินเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนะี่ยในรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนะี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความเปลี่ยของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมาชาติของตน ต, ต่างอนฑัตต่างอันต่างกินไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปวดเพื่องภาะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดนดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความข้องวลกับเรื่องขันเพราะอำนาจแห่งอุปทานนี่ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแลคือเฮี้ยจริงๆอยู่ที่จิต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 ทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั่นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่จิดหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอืเหี้ยใหญ่คื อ, อตัวนี้เองนี่ท่านท่านพูดไว้ในตำราท่านไว้จับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกถ้าโพชิร์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอว่าชจบลงในขณะนั้น ก็เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเฮี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเฮี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาอันมาปัญญาเวชายเตภูริอันมาทําปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายที่น่าให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากน่ะเนี่ก็ให้ย่างเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มเรื่อวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้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 แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติปฏิบัติเลยความจำอาจจาทำได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไร น, นี่คมามั่นทำนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติ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 สมาธิิเป็นต้นมีสมาธิที่เป็นสิ่งที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสาคัญหรือเป็นธรรมซ้าหม่มำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลียรอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่นน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางจิ้นจุกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยูน่นั้นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร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 เพาะคำทำคำคำนี้เป็นคำพูดที่โงาผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเทื่อพุทธทางสันัิษฐานนี้แล้วจะไม่สนใจคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแนลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระอวาทคือาศาสนาธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นยําแล้ว